พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2554รมีชื่อเรื่องว่ากรรมและผลของกรรมเมื่อวานวันที่29 พฤจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันบวชพระบวชนาคทั้งหมด11 11นาค11พระใหม่บวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุ 84พรรษาเ็ดรอบนประสบนนกรทั่วประเทศก็คงจะจัดงานในวันที่จะถึงวันที่ห้าเนี่ยก็คงจะหลายหลายกลุ่มหลายหลายหมู่หลายหลายคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพระสงฆ์พระสงฆ์พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอยู่คู่กับมหากตรนะให้พวกเราดูอ่านดูในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาคู่กับสถาบันถ้าสถาบันนับถือพระพุทธศาสนาในยุคใดยุคนั้นพุทธศาสนาก็เฟื่องฟูแต่ถ้าว่ายุคใดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอริสตรูกับพระพุทธกับพุทศาสนากับพระพุทธศาสนาในยุคนั้นก็ลวยแหลม ให้พวกเราอ่านดูในประวัติศาสตร์เพราะนั้นพระพุทธศาสนาสถาบันคุ้มครองกันมาแล้วก็พุทธศาสนาที่พวกเรานับถือทีนี้นับถือแบบงมงายหรือนับถือแบบเขาถือมาแล้วก็ถือไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เราต้องวิเคราะห์เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่มอบให้แก่เทพเจ้าเหล่าเทวา ที่มองไม่เห็นตัวและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มองไม่เห็นตัวตนก็มอบให้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสัดแต่หลักของพระพุทธศาสนาพวกเราได้วิเคราะห์ดูด้วยลักเคตุผลแล้วพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมกรรมคือการกระทํา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไรทำดีแล้วจะได้ชั่วได้อย่างไรถ้าเราทำถ้าเราขยันปลูกพืชพันธุ์ชนิดไหนเราก็ได้รับพืชพันธุ์ชนิดนั้นถ้าว่าเราจริงอยูถ้าว่าพวกเราไม่ได้ปลูกพืชพันธุ์แต่เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อเขา ต้องมีวิธีกรรมอีกอย่างอื่นทดแทนแต่สรุปแล้วก็คือทำกรรมสิ่งไหนไว้คนนั้นตนในรับกรรมคือการกระทำของตอนเองแต่บางครั้งบอกวาอ้าวคนที่เขาทำกรรมชั่วนะดูเขาเห็นในชาตินี้แต่เขาทำไมรวยเอารวยเอาแต่เขาเาก็ทำกรรมชั่วแต่ทำไมเขาจึงรวย แสดงว่าหลักของพุทธศาสนานไม่เป็นความจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขนาดเขาทำชั่วเขายังได้ดีทำไม น, นี่เพระพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นแนวความคิดแก่พุทธบริษัทพระองค์บอกว่ากรรมคือการกระทําจุดนี้นะ่ยไม่ใช่มีแต่ปัจจุบันนักรรมมันเป็นอดีตกรรมด้วยอดีตกรรมก็เหมือนกับเราทํา สิ่งที่มันไม่ดีเมื่อวานสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อวานคือเราทําไม่ดีแต่มันก็ให้ผลมาถึงวันนี้ด้วยพราะอะไรในวันนี้เราไม่ได้ทํากับความชั่วเสียหายเลยทํำกติกามดนะีแต่ทําไมผลมันจึงมาตํารวจหรือว่าคู่คนนะไรจะมาลังแกเบียดเบียนเราทําทไมเพราะวันนี้เราทํานดะีตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนเย็น แต่ไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อวานวันก่อนตัวเองทำอะไรไว้บ้างกรรมตนนั้นมันกำลังตามสนองมาให้ผลอันนี้ก็คือเรามองเห็นใกล้ๆนะอันนี้หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามองถึงข้ามซตดไปข้ามภพข้ามชาติไปอีกนะทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตชาติกรรมตวนั้นมันยังติดตามให้ผลมาอยู่ อยู่ในพระไตรปิฎกมากตัวมากถ้าเราศึกษาในภาษาวกประวัติสาวิกาประวัติหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาได้ทำกรรมอันไหนไว้ในอดีตเพราะกรรมอันนั้นตามสนองมาถึงภพนี้ชาตินี้บางโคตก็ใช้กรรมไม่รู้ว่ากี่ชาติอย่างที่พระพุทธเจ้า500ร้อชาติใช้กรรมถึง500ชาติอย่างไงให้ค้าว่า ถ้าว่าเกิดมาคนหนึ่งผู้ที่จองเวรไม่ได้เกิดมาพร้อมกันไปเกิดไปที่อื่นซะอย่างที่คนหนึ่งมาอยู่เนี่ยมาเกิดในเมืองไทยคนหนึ่งไปนู่นไปเกิดอยู่ยุโรปอย่างนี้นมันก็ชาตินั้นก็มันก็ผ่านกันไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดอยู่ใกล้กันแต่ถ้าว่า คำล้อ ก, กงเกวียนมันมาหมุนเจอกันเมื่อไรเมื่อรันกันตีด พ, พ้งอน่ยเพระอไรมันเจ อ, เอกันรำที่เขาจองล่างจองผ่านกันมาในอดีตชาตินี่แหละอันนี้ก็คือปัจจุบันนกรรมก็คืออะไรคือความบกพ่องบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ระเวียงระ ว, วังหรือไม่ได้ส้ำรวมกายวาจา ใจของเราปล่อยไปตามอัธยาใจไม่ได้รับการอบรมปล่อยไปตามอําเภอใจใจยึกคิดจะทำอะไรจะพูดอะไรอยาก จ, <ะ S 2> จะทำอะไร<ๆ>ก็ปล่อยไปตามอําเภอใจอันนี้เปว่าปัจจุบันนักกรร ม, มเมื่อเราทำไปแล้วเนะี่ยก็ได้รับผลกันแล้วเริ่มก่อกรรมการกระทำเริ่มทำกรรมที่ไม่ดีในชาติปัจจุบัน แต่ใ้พอทำไปแล้วมันเป็นผลสืบเนื่องสืบเนื่องไปในอนาคตต่อไปเรื่อยๆอันนั้นแปลว่าทาในปัจจุบันแต่ถ้าว่าทาในปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างสมมติว่า เ, เราขาดความรอบครอบจะเดินไปหกล้มขาหักแขนหักแต่เราจะว่าโอ้คงเป็นอดีตกรรมของเราทีทีเดียว บางทีบางเสียงบางอย่างก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าปัจจุบันนักรรมเราขาดความรอบคอบรู้อยู่แล้วว่ามันจะรื่นมันจะมีปัญหาแต่เราทำไมซุ่มซ้ำเดินไปแปลว่าเราขาดความรอบคอบในปัจจุบันอันนี้ว่าปัจจุบันนักรรมการกระทำในปัจจุบันคือความรอบคอบแต่อธิตกรรมนั้นถึงจะรอบคอบขนาดไห น, นรักษาตัวดีขนาดไหน ก็ไม่พ้นเพราะเหตุไดเพราะกรรมในอดีตมันจ่อที่จะให้ผลจ่อที่จะทำเพราะเราได้ทํากรรมไว้แล้วอภินิหารก็ไม่เหนือกรรมถึงจะมีอภิอภินิหารเหาะเดินเดินเดินฟ้าได้ดาดินบินบนได้รู้หมดทุกอย่างนักกฎหมายรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าอีกสักวันหนึ่ง แต่นักกฎหมายก็เลยพลาดพลั้งไปในแง่ของกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่ากรรมกรรมมันเปิดช่องทำให้ตัวเองเผลอเลยแล้วว่าขาดดูแรในจุดนั้นนี่แหละนี่ลหลักของพุทธศาสนาดูดูฟังฟังหรือว่าสังเกตดูหรือ ว, ว่ากันกองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม กรรมเป็นเรื่องของการกระทําเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นไว้อยู่เสมอว่าอย่าทํากรรมที่ไม่ดีอย่าไปทํากรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีนี่แหละอันน่นก็คือหลักของพระพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่โ บ, บราณตัวในพระไตรปิฎกหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราแนะนําสั่งสอนมาพวกเราก็มองพอจะมองเห็นได้ว่า กรรมชั่วจะต้องให้ผลไปในทางที่ชั่วในทางที่ไม่ดีถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะตามให้ผลไปในทางที่ดีในเมื่อเราทำํำสมัยผู้ใดก็ตามเคยเห็นในพวกเราให้สังเกตถ้าเคยคนไหนก็ตามไม่เคารพพ่อแม่ลังแกพ่อแม่เคยทุบตีพ่อแม่สมัยเป็นหนุ่มแล้โมโหโกธาขึ้นมา ยับยั้งมาอยู่นะให้เราพวกเราสังเกตดูในเมื่อเขาเขาเท่าแก่ชรามขึ้นมานะโดยมากลูกจะเช็คบินคืนอื่นเหมือนกันนะหลานก็จะเช็คบินเดี๋ยวบอลูกของเขาจะเช็คบินพ่อของเขาคืนอีกเหมือนกันอันนี้ให้พวกเราสังเกตหลวงพ่อเนี่ยสังเกตมาหลายหลายคนแนละ้วถ้าสิ่งไหนก็ตามถ ต, ตัวเองทําไม่ดีกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจาร โดยมากมันจะย้อนสอนมหาตัวเองอีกสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านว่ากรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านศึกษาเรื่องการกระทำและการเป็นอยู่ของพวกเราในการจะคิดฆ่าคนอื่นก็ตามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขโมยอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ ถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วล้วนแล้วแต่มมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าในชีวิตของพวกเราเหมือนกับท่านบอกกล่าวเอาไว้ว่าอย่าเดินไปทางนั้นนะมันมีขวากมีน้ำนะมันมีเหวมีบ่อนะมันสิ่งที่ไม่ดีนะอย่างนี้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ในลักษณะอย่างนั้นในหลักของพุท ธ, ธะนะนี่แหละ จะจากนั้นต่อมากับสายกรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มันหลวงพ่อก็มั่นใจอีกว่าท่านเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่วางเอาไว้ถึงจะท่านถึงจะพูดเรื่องทานถึงจะพูดเรื่องสินถึงถึงจะพูดเรื่องสมาธิถึงจะพูดเรื่องปัญญาจะพูดถึงเออ วิมุตติยาณทัศนะคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็ไปตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาดูถ้าพวกเรามีเวลามีโอกาสศึกษาให้ศึกษาดูเรื่องพระธรรมคาสอนของออพระพุทธเจ้ากับธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นแต่หลวงพ่อมันมั่นใจพอศึกษาดูแล้วมันเข้ากันได้เออ ท่านไม่ได้สอนแปลกแหวกแมวจากพระธรรมคำสอนพวกท่านสอนว่ายังไงท่านก็มาวิเคราะห์ตีแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกจนเข้าเข้าใจเนี่ที่ทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นนั้นทําอย่างไรพิจารณาอะไรถอนกิเลสตรงไหนตรงไหนจุดไหนอย่างไรท่านก็พูดได้ชัดเจนในการที่จะถอดถอนนั้น พอท่านพูดอย่างนั้นแล้วที่เราก็ฟังเอาไว้เออมันจริงไหมแต่เมื่อท่านล่วงรับดับขันไปเมื่อท่านตายไปพูดง่ายๆกระดูกของท่านก็จะกลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นกับตาของเราเลยว่ากระดูกของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพระธาตุหลวงปู่มั่นไครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์เนี่ยเห็น เป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจว่าเนี่ยท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติทำตามตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญทางจิตภาวนาจนทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจนกระดูกของท่านเนี่ยได้กลายเป็นพระาธาตุเป็นเม็ดกลมแตกแตกต่างความคนทั้งหลายเพราะเหตุใดเพราะว่าท่านได้ักฟอก ท่านได้พิจารณาฟอกกระทึงอุอธิธาตุของท่าน่อกร่างกายของท่านแต่ถึงยังไงทุกคนก็ต้องถึงจุดจบเรื่องแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกกลีหนีพ้นไปได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ว่าตายของพระอรหันต์หรือตายของพระพุทธเจ้าหรือตายของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นมันไม่เหมือนการตายของมนุษยชาติ ผู้ที่มีกิเลสราคาโทสะโมหะพอท่านผู้มีราคาโทสะโมหะตายไปมันอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าท่านผู้ปริสูตตายไปะนะท่านว่านิพพานอานุปาทิเสสนิพพานคือจิตใจหลุดสลัดสลัดกายยังมาแล้วสลัดกิเลสอีกเคลื่นไปอีกมิติหนึ่งไปว่าอมตะธาตุเป็นอมตะธรรม ทำอันบริสุทธิ์อันนั้นคือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ให้พวกเราศึกษานะสรุปแล้วคือพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้บวชมาคราวนี้กับบวชมาเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลที่ในหลวงพวกเรามีคุณูปการต่อประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกดำบรรณ มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาจนไม่ชาติไทยไม่สาบสูญไม่เป็นขี้ข้าของใครก็เพราะว่าปีชาความสามารถของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรัช ก, กาลที่ห้าทีที่5ในยุคสมัยนั้นจนด้ตลอดหลอดพ้นมาอันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของประเทศชาติของเราพวกเราได้นับถือ พระพุทธศาสนาได้นับถื อ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นก็เนี่ยกรารรัชการที่สที่ท่านวางเอาไว้แ่ท่านได้ประยกขึ้นมาท่านได้ค้นคว้าศึกษาแล้วก็ประคับประคองพระพุทธศาสนาในยุคกรัชการที่สี่ตั้งวงธรรมยศขึ้นมาจากนั้นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเจ้าคุณอุบาลีก็ศึกษา พระธรรมคาสอนก็ฟื้นฟูขึ้นมาจากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจจนท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ก่อนหน้านี้มีไหมหลวงพ่อว่าน่าจะมีแต่เราไม่ได้เขียนเป็นประวัติเอาไว้แต่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงจะมีอยู่เป็นแนวสายเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านยังได้นำทำคําสอนของครูบาอาจารย์ของท่านในยุคสมัยนั้น แล้วามาประพุทธปฏิบัติจากนั้นก่อนได้มาค้นคว้าศึกษาในหลักธรรมคำสอนอีกเพราะว่าดูๆแล้วพระพุทธศาสน า, ถ, าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ตุปัตตุเปธุลักทุเลพอสมควรทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าศึกสงครามแต่ละยุคแต่ละสมัยบ้านแตกสาแหลกขาดไม่รู้หอบหิวอะไร พระธรรมคำสอนก็ถูกจุ ด, ดถูกเผาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ละยุคอย่างประเทศพมา่าอย่างนี้เหมือนกันประเทศเขมรประเทศลาวอย่างนี้เหมือนกันคนต่างชาติตนต่างศาสนาเขามาครอบครองครอบงำแต่เขาก็เขาก็ว่าเขาไม่ได้ทำลายทาร้ายเกี่ยวกับการนับถือก็จริงอยู่แต่เขาไม่ส่งเสริมนการที่ไม่ส่งเสริมเขาก็พยายามยัดเยียด เรื่องของเขาเข้าไปอีกความเชื่อความรับถือของเขาในใจของเขาเข้าไปอีกก็ทําให้ทําให้ความรับถือเลื่อมใสในแต่ละประเทศนั้นล่อยหลอลงเป็นธรรมดาฮะถ้าเราคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะถ้าเราคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะี่หลวงพ่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่แน่อย่างประเทศไทยของเราก็เถอะในยุคสมัยนะั้นกรุงศรีแตก ประเทศลาวข อ, เ ห, อเหมือนกันปตัตย์ปิดกหรือว่าทำคําสอนของพระพุทธศาสนานในยุคสมัยนั้นก็ล้อยห่อหลงพอชุมควรต่อมากันได้มารวบรวมอี ก, กนปะปฏิติตรตอปฏิติรตรอแต่ถึงยังไงก็งหลายที่หลายหนเอามาเชื่อมโยงกันก็เข้ากันได้ไปเอาจากศีลังกาบังเอาจากพม่าบังเอาจากขเขมรจากลาวบังจากที่ไหนบางมาโยงใส่กัน แล้วก็เป็นสังคายน า, าพระทับพระไตรปิฎกขึ้นมาแต่ว่าจุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดหัวใจของพระพุทธศาสนาอันนั้นไม่กระสับกระส่ายไปที่ไหนตรงยังตรงคงเส้นคงวาคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโร ธ, โรธมรไกรลับอันจจางทุกขังอนัตตาเรียกว่าวิธีเดินมรรคจติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ย ไม่ไปไหนเรื่องศีลสมาธิปัญญาฮนะอันนี้ก็คือแนวทางชีวิตของการประพุทธปฏิบัติอันนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาให้ศึกษาดูถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วไม่ไปไหนคงเส้นคงวาหนาแน่นหนักแน่นอีกต่างหากมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของแต่ละธรรมคํับสอนนั้นด้วยไม่มีการแปรผันไปที่ไหนเรื่องพระธรรมคาสอนจุดนี้นะ ต่อนนี้ไปรับพร